มาแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่คิดว่าผมเข้าเรียนจำเลยนะพอคิดว่าผมเข้ามาในมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตวัยหนุ่มกลางยูนิเวอร์ซิตี้พวกเรานี่คือนักศึกษาเป็นผู้ศึกษาชีวิตเราไม่ได้ติดอยู่ในเรียนจำเพื่อจะรับกรรมอย่างเดียวเรามาศึกษาชีวิตชีวิตไม่ใช่สิ่งนี้ต้องมาต่อสู้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 อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะนั้นผมไม่ได้มาพูดกับผู้ต้องขังผมมาคุยกับนักศึกษาที่เป็นปัญญาชนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดี๋ยไม่ตั้งใจฟังแบบนี้นะโทรตัพมัง่งลุกมัง่งทำหน้ า, า, ง, นางี้มั่งหลับตามัาง่งนอนหลับมัง่งใจลอยมัง่งพวกเรานี่ตั้งใจฟังนี่คือธรรมชาติของนักศึกษาชีวิต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 ความสุขทําให้เราหลงละเริงและเวลาถึงคราวเป็นทุกข์เนี่ยความสุขมันก็ไม่แน่นอนจะไม่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยความสุขไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยเขาเป็นคนที่เรารักแต่ความสุขไม่ได้รักเราจริงแต่ความทุกข์เนี่ยเขาซื่อจัดต่อเรานึกที่ไหร่ก็เกิดขึ้นทุกตีใช่ไหมเนี่ยคือคนที่รักเราซื่อจัดต่อเราแล้วเรียนรู้ชีวิตได้จากความทุกข์จากปัญหาจากความผิดพลาด แล้วมันแปลกนะความสุขเนี่ยรู้ได้จากความทุกข์พราเองเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสพิการอย่างนี้นะผมก็จะไม่มีความสุขหรอกเราต้องมีเครื่องมือมีเครื่องมือมาดูตัวเราไม่ใช่ตาอย่างเดียวนะเครื่องมือศึกษาชีวิตอยากให้เรามาให้ความสาคัญตรงนี้มากๆสติเป็นผู้ที่ศึกษาชีวิตสติ เป็นนักศึกษาทุกคนมีแล้วนะแต่ยังน้อยไปนหน่อยอะไรคือตำราเล่มใหญ่คือกายของเราแล้วก็จิตใจของเราเป็นตำราเล่มใหญ่ไปไหนไม่ต้องไปฮิ้วไปหอบมันไปกับเราความสุขความทุกข์ความเบื่อความเซ็งความเหงาความคิดถึงความอาฆาตพยาบาทโกรแคนอันนี้คือตำลาลเราได้ดูมันดูซิว่ามันเป็นอย่างไรมันมีตัวมี ต, มตนจริงไหม เพราะนั้นอยากให้เรามีสติตัวนี้มีตัวเดียวเอาชีวิตได้รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วยทุกคนคิดนะแต่เรารู้ไม่ทันว่ามันคิดแล้วอย่าน้อยคิดว่าเมื่อไหร่มันจะคิดเอ๊ะมันมันจะอีกนานไม่กว่าจะคิดความคิดเป็นยังไงเนาะคือทุกคนคิดแต่เราไม่รู้จักมันเห็นไหมมันหลอกเรานะไม่มีใครเลยที่จะไม่คิดมันคิดตลอดอะแต่เรารู้ไม่ทันทาไมจะรู้ไม่ทันเพราะ เราเข้าอยู่ในความคิดถูกไหมพอเราก็าอยู่ในความคิดเราไม่รู้จักความคิดเหมือนเราก็อยู่ในมุงเรารู้จักมุ้งไหมเห็นแค่มุงข้างในถ้าอยู่นอกมุงโอ้เห็นมุงด้วยเห็นตัวเราด้วยเพราะเราก็าอยู่ในความคิดเราจรึงไม่รู้ว่าเราคิดเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าสองอย่างคือหนึ่งเราขาดสติอย่างหนึ่งนะสองคือเราเพ่งเราเระวังถูกไหม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 เรามีกายมีใจแต่เราไม่เคยเป็นเจ้าของกายใจเลยใช่ไหมเราไม่มีสิทธิ์เลยผู้ที่เป็นเจ้าของกายใจคืออะไรไม่ความคิดมันเป็นเจ้าของเรามันนํำเราอยู่เรื่อยๆถูกไหมเวลามันคิดอยากอะไรแล้วก็ทําตามความอยากใช้กายให้วิ่งว่อนไปทําตามความอยากถูกไหมเวลาเราไม่อยากเราไม่ชอบเราก็จะทําลายเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราเนี่ยให้มีสติ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 พอคิดอยากแล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดอยากรู้ไม่ทันในความอยากเราก็ทำตามความอยากคือไปดื่มถูกไหมพากายไปดื่มซึ่งร่างกายมันไม่ต้องการเล็กุลามีใครเกิดมาพร้อมกับขวดเหล้าขับแก้วไม่มีนะเราไม่เอาขวดเหล้า น, นาได้แล้วตัวตามหลังคลอดมาแล้วเกิดใหม่เกิดมาแล้วคุณแม่เอากล้วย ส, สวยๆป้อนเราเอาน้านมที่บริสุทธ ซึ่งร่างกายต้องการอย่างนั้นแต่ความคิดที่ประกอบด้วยความอยากเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันให้กินเรื่อยกินมากๆขอทองแดงขอตั้งไม่ไหวก็ขอแข็งขอให้พออยากอยากแล้วเราก็ดื่มผลออกมาไงติดถูกไหมเพราะดื่มแล้วมันก็หายอยากเหมือนกันนะแต่มันติดชั่วคราว อ, อิ่มชั่วคราวหายอยากชั่วคราวแล้วมันก็ติด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 แต่ถ้าเราไม่อยากอะ่ะมันก็ไม่ต้องดื่มถ้าไม่ดื่มมันก็ไม่ติดใครบอกถ้าดื่มมันยังติดอีเมื่อไม่ติดมันก็ไปอยากเพื่ออะไรอะ่ะเพราะอยากจึงดื่มนี้พอดื่มแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นนะโอ้โเมา เ, าเละเทะเลยหามกูไปเตะเขาหน่อยนอนนะเจียนสุนัขเลีย ป, ปากก็ไม่รู้สึกมันมีผลมากแล้วก็ติดแล้วก็อยาก ถ้าเราไม่อยากมันก็ไม่ดื่มไม่ดื่มมันก็ไม่ติดถูกไหมแต่ในตาตรงข้ามถ้ามันเกิดความอยากความอยากนีเป็นเรื่องจิตใจไม่ใช่เรื่องร่างกายมันเริ่มมาจากจิตใจก่อนถ้าเราม่สติรู้ทันในความอยากจบกันเลยรู้ทันในความอยากความอยากก็จะหายไป <ficar S 2> เพราะความอยาก ok มันก็มีเที่ยงเมื่อไม่อยากก็ไม่ดื่มสบายเลยแค่รู้ทันความคิดเท่านั้นเองใครเป็นผู้รู้ทันความคิด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 แล้วเราก็ทําตามความโกรธและผลเป็นยังไงแล้วก็รับกรรมในส่วนนี้เห็นไหมเพราะเราขาดสติขาดความอดทนในความโกรธเวลาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจอย่าไปผูกโกรธไว้อย่าไปผูกแค้นให้เราแก้แค้นไม่ได้ทุกวนันนี้เราไม่ได้ผูกเราไม่ได้แก้แค้นะเราผูกแค้นต่างหากถ้าเราแก้แค้นเนี่ยแค้นต้องหมดใช่ไหมการแก้มีแต่การหมดใช่ไหม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 คุก ข, ของความคิดมันติดจนตายไม่ใช่เฉพาะพวกเราทุกๆคนที่ยังเชื่อความคิดต้องติดคุกตลอดชีวิตและมันจะมีความสุขอิสรภาพได้อย่างไรวิธีการแหกคุกของความคิดนั้นให้เรามีสติรู้ทันตัวเราเสมอๆรู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหวจะทำอะไรก็ตามให้มีสติรู้ทันมันเห็นไหมเราจะมีสติปัญญาเป็นผู้นาชีวิตทันทีเลย เวลามันคิดอย่าไปเชื่อมันให้ขอดูสักหน่อยมันคิดแล้วถ้าถ้าทําความคิดแล้วผลจะเป็นอย่างไรถ้าผลไม่ดีเราก็ไม่เชื่อมันไอ้น่านี้เราไม่เชื่อแล้วไอ้น่าเก่าๆ เ, เรื่องเก่าๆมาหลอกเราไม่เชื่อแล้วสติเป็นผู้ที่รู้ทันมันก็จะเกิดอิสรภาพในชีวิตเห็นไหมเพระาะฉะนั้นยายพวกเราเนี่ยดําเนินชีวิตอยู่ทั้งทั้งในและข้างนอกด้วยสติปัญญาสติปัญญาเท่านั้น เป็นผู้ที่รักษาศีลให้ไม่ขาดวินชีวิตจะปลอดภัยนะเราอยากจะใช้ชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขขอให้เรามีสติเพิ่หน่อยแล้วก็ทำตามกฎระเบียบของเรือนจำแห่งนี้อย่างเคร่งครัดระเบียบเรือนจำมีกี่ข้อแล้วก็จะทำตามระเบียบแล้วเราจะอยู่อย่างสบายนะสิบข้อนะเราทำไม่ได้หรือ รู้ไหมว่าระเบียบวินัยของพระมีกี่ข้อสองอยสเจ็ดข้อสองรเจข้อท่านอยู่ในวัดอย่างมีความสุขเพราะอะไรมันต่างจากเรานะอ่ามีเรือนจำแห่งหนึ่งเ้าที่มนฑลพระเข้าไปสอนอย่างเงี้ยเข้าไปสอนเรื่องการเจริญสติการภาวนาเนี่ยสอนเรื่องการเจรติตสติให้มีสติพอสอนจบแล้ว้ทยละการ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 หลังเที่ยงวันก็ฉันไม่ได้จะได้แต่น้ำเปล่าและต้องฉันในบาทด้วยนะใส่แล้วก็สารวมแล้วก็ฉันไม่ได้ดื่มสุราแม่น้ำบัดลมก็ไม่เคยได้ดื่มไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ปังวิทยุไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ดูหนังไม่มีคู่ครองด้วยเวลานอนต้องนอนกับพื้นชีวิตที่ผ่านไปเนี่ยบางทีก็ต้องทางานหนะัก อยู่ในวัดแล้วต้องมีการภาวนานั่งภาวนาตลอดทั้งวันต้องถือศีลสองร้อี่เจ็ดข้ออย่างเคร่งครัดโอ้พระูดอย่างนี้นะเล่าถึงชีวิตในวัดเนี่ยผู้ตรงขังที่นั่งฟังอยู่เนี่ยอึ้งโเปรียบเทียบชีวิตผู้ตรงขังกับพระกุณเจ้าเนี่ยมันต่างลิบรับเลยผู้เจ้าลำบากว่าต้องถือศีลม่ไดอย่างเคร่งครัดมีผู้ตงขังท่านหนึ่ง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 เราอาจจะเกิดมาเนี่ยคุณแม่อาจจะขัดเราไม่เพียงพอก็ได้ขัดที่ใครอาจจะน้อยไปหน่อยพวกเราเลยไม่ช่วยขัดอุปมาอย่างหนึ่งไม่อยากกว่าสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเช่นว่าเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่ก่อนจะออกไปขายเ้าได้เนี่ยมันต้องมีการขัดขัดขัดขัดขัดให้มันเรียบแล้วก็ทาเชลัตทาเล็กเกอร์เป็นสินค้าที่สวยงาม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 จะให้ภัยกันเราก็จะมีความจุบร่วมกันและมันจะเกิดกำลังใจนะถ้าเราทำได้เกิดกำลังใจกำลังใจเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอยู่ข้างในก็เชื่อมัน่นอยู่ข้างนอกก็เชื่อมัน่นแม้ว่าใครจะมองเราในสตา์ใดก็ตามเราเชื่อมั่นในการทาความดีของเรานี่เป็นกำลังใจที่เกิดจากกำลังภายในที่เราสร้างขึ้นมาเองคือกาลังของความดี